ก็ต่าเนาะทั้ใจอั้ใจปังอั้งใจดูตัวเองเหมืกันเนวันนี้มีคนหน้าใหม่เยอะเคยหน้าใหม่มาถึงว่ามาเพิ่งเคยเห็นหน้าพุโยนะหน้าพุโยมันคงอยู่กับตัวเองนะนมากแล้วเราบอว่าหน้าเราไม่ใหม่นะเก่าแล้วแต่หน้าใหม่ที่เพิ่งได้เจอกันเคยปฏิบัติธรรมกันบ้างหรือยัง มีใครไม่เคยปฏิบัติทำเลยมีไหมสี่ห้าคนบางคนบางคนก็เคยปฏิบัติทำบ้างนะในวิธีหรือในวิธีการอื่นับหรือใครยังไม่เคยปฏิบัติทำในแนวแนวเจตสติแบบต้องเขียนมีไ้มไม่เคยครส่วนหนึ่ง ดอมมันก็หน้าหน้าคิดนะโยนหลายคนว่าอายุดับหกสิบเจ็ดสิบปีแต่ละน้องใช่ไหมมีชีวิตหกสิบเจ็ดสิบปีไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ตอนแรกก็ตามตามรูปแบบเข้าไปนะโตขึ้นมาก็เรียนหนังสือทํางานมีครอบครัวตอนนี้ก็ รายละตาครบรว่าไม่มีแล้วนเนาะกีเสียแล้วเลี้ยงหลานหรือเปล่าบางคนอาจจะยังต้องดูแลหลานต่อเนาะยังไม่ดูบางคนก็ไม่มีะไยละก็แค่ดูแลตัวเองก็พอ อ, อันนี้ก็ต้องเหมือนเรามีชีวิตตามตามรูปแบบที่คนส่วนใหญ่เขาก็เป็นกันนะเป็นเป็นกัน แล้วชีวิตเราลองก็ทวนบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ใช่ไหมครับนะบางทีก็มีความผิดหวังบางทีก็มีความสุขหวังเราก็เจอแต่แบบนี้กันแตบบ่ทุกคนเนาะบางครั้งก็มีปัญหาบางครั้งก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอืชีวิตคนใหญ่คนมีปัญหากันเนี่ย ม, มา ลองแยกง่ายๆเมื่อวานนี้ไปไปอบรงนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่หนึ่งที่วิทยาลัยรัชสุดางมเด็จจุฬาจารยา์กนะ็ไปพูดคุยกับส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการหวัวหนวะกแล้วก็นักศึกษาที่เป็นรานะ่างก็ให้เขาพูดถึงความสุขความทุกข์ที่เขาเจอปรากฏว่าพอรวมกันพอพูดออกมา ความสุขความทุกข์ของพวกเราสัวนใหญ่หนีไม่พ้นอยู่ห้าอย่างเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องสุขภาพของเราเองน ะ, ะความเจ็บขไข้ที่ป่วยบางทีก็ความทุกข์เพรร่างกายเจ็บขไข้ที่ป่วยบางทีก็เรียกว่าปกติก็ได้นี่ย่างที่หนึ่งอย่ที่สองก็เรื่องครอบครัวนะครอบครัวของเรา พ่อแม่ปู่ย่าตายายญติพี่น้องนะที่แล้วก็เวลาคนในครอบครัวป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาเราก็คอยมีความทุกข์หรือว่ามีความสุขตามไปด้วยถ้าเขาดีนะอย่างที่สามนึม่งอะไรนึ่งเงินทอง <c oughs> นะอ่าช่งไหนมีเงินมีท้องก็สบายไม่ต้องคิดมากมาสะสแต่ช่วงไหนเงินทองขาดมีนี่กินเยอะนะก็ ก็เป็นปัญหาเป็นความทุกข์เนาะบางช่วงมีก็สุดนะามแล้วนะอย่างที่สี่อะไรถ้าเป็นนักศึกษาก็เรื่องการเรียนถ้าโค้งจบการศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องการงานนะเรื่องงานนะเรื่องในที่ทำงานเรืนะ่องร่วมงานนก็เป็นเรื่องที่เราเจออย่างที่ห้าปนไเรื่องความรัก ความรักอาจจะเป็นความรักเป็นแฟนเป็นคู่ครองหรืออจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยก็ได้คนะือความสัมพันในเชิงอความรักหนีคนกันไหมห้าเรื่องนี้ก็ <c oughs> เรามีคนกันไหมไม่คนเนาะใช่ไหมเราก็ต้องมีครอบตัวหรือคนเรียกว่าเองโสดก็ต้องมีพ่อแม่ใช่ไหมมีพี่น้องมีญาติเหมือนกัน เงินทองเราก็ต้องใช้เป็นประจำํำการนานหรือการเรียนเราก็ต้องใช้นต้องเกี่ยวข้องอยู่ที่หนีไม่พ้นจริงๆก็คือรา่างกายสุขภาพของเราเนี่แหละนถ้าตแต่เกิดกันตายเราก็หนีไม่พ้นส่วนใหญ่เรื่องราวที่ที่เป็นปัญห า, าเป็นปัญหาแล้วก็นําไปสู่ความทุกข์ใจก็หนีไม่พ้นห้าเรื่องนี้ แต่ลองถามไปเองว่ า, วาเวลามีปัญหาเกี่ยวกับห้าเรื่องนี้เราสามารถจัดการจิตใจของเราได้หรือเปล่าใช่ไหมคือปัญหาเราหลีกไม่ได้ครับอย่างร่างกายเราจดูแลสุขภาพดีขนาดไหนแต่บางทีก็มีปัญหาตามวัยหรือว่าตามกานทุกกรรมตามอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่สบายก็เป็นไม่ได้ เงินทองต้องคนบางแง่ดีๆก็อาจจะปัญหาน้อยแต่บางคนก็ไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะระดัะก็จจะมีปัญหาแบบนึ้นใช่ไหม <c oughs> มีปัญหาต้องจัดการปวดหัวนะต้องมอระจดทรัพย์สิแต่จากเด็กสารท่านเคยเรายังฟังกันหนึ่งบอกว่ามีเพื่อนมีเพื่อนเราได้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งที่ มีคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปกระดาษหุ้นก็าเลหุ้นเป็นประจำวันหนึ่งคุณป้าก็ขายหุ้นได้ราคาสิบล้านบาท <c oughs> กำไรนะไม่ใช่ <c oughs> อกำไรสิบล้าน <c oughs> ก็มนะีคนที่รู้จักกัน <c oughs> ก็ไปกรแสดงความยิน <c oughs> ด, ด, ดีว่าโมคุณป้าวันนี้ดีเนาะขายเงินขายหุ้นได้นะ้ <c oughs> กําไรสิบล้านคุณป้าบอก ดีอะไรถ้าเชนขายเมื่อวานเช่นขายได้ยี่สิบล้านคุณป้าเราไม่พอใจหรือว่ารู้สึกทุกข์ใจที่ถ้าขายถ้าขายเมื่อวานได้ยี่สิบล้านแต่ขายวันนี้ได้แค่สิบล้านคุณป้ามองว่าตัวเองขาดคืนเป็สิบล้านแต่จริงไม่มองว่าตัวเองได้กำไรสิบล้านอืมพอวันรุ่งขึ้นวันถัดมาคุณป้าไม่ได้มา ที่ตรงตลาดมุ้งเป็นปกติก็ถามโพกเกอร์ที่ยูแลคุณป้าเขาก็รู้ว่าคุณป้าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับ <c oughs> ไม่สบายปวดหัวเพราะว่ามุ้งใจที่ไขขายมุ้นเล่นน้อยเล่น <c oughs> กำไรน้อกว่าที่กวเป็น อ, อันนี้ก็บางทีก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีแม้เรามีทรัพย์มากแต่บางทีเราก็ปวดหัวหรือว่า เราอ็ไม่ได้จะเป็นความสุขที่แท้จริงประกวดอาจจะไม่มีมากแต่ก็อา จ, จะมีความสุขก็ได้นะคือเรื่องพวกนี้ยก็ไม่แน่นอนปัญหามันคืออะไรครปัญหาบางทีมันมีนะในชีวิตเราแต่เราจะอยู่กับปัญหาอย่างไรโดยที่ใจไม่ทุกข์นะเพราะจริงเรื่องพวกนี้มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็น เรื่องบวกหรือเรื่องลบนะอย่างเรื่องตัวอย่างเมื่อกี้ได้กำไรสิบล้านคนเกวดใจก็มองว่าเป็นเรื่องบวกเป็นเรื่องดีแต่พอจิตเราคิดนะว่ามันควรจะได้กำไรยี่สิบล้านเนี่ยเรามองเป็นเรื่องทุกข์ใจเลยใช่ไหมถ้าเราจะไปดูดีๆนะที่จริงชีวิตเราอะ่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรมาก่อนเลยนะใช่ไหม เ, าาเกิดออกมาเสื้อผ้าก็ยังไม่มีนะมีแต่ตัวเปล่าๆแล้วก็วมีใจมาด้วยสนะุดท้ายเราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึง่งนะอันนี้ก็เหมือนวนะ่าเราเกิดมาก็เปล่าศูนย์ตายไปก็เปล่าศูนย์นะในเรื่องของวัตถุอนะในเรื่องของวัตถนะุแต่ที่จริงมันก็ไม่จริงเปล่าศูนย์หรอกเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเกิดมาจนกระ่งถึงเราตายเนี่ย เราก็ได้เรียกว่าภาษาภาุเรียกว่าเราได้ทากรรมนะกรรมหมายถึงว่าเราได้กระทำํำได้พูดนะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนั้นในระหว่างชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่เนะี่ยเรียกว่าเราได้ทากรรมนะกรรมอย่าไปคิดว่าเหมือนกรรมคือผลที่เราต้องรับในทางไม่ดีนะกรรมภาษาพหุจริงๆเป็นคํากลางแปลว่าการกระทำํำนะการกระทําที่เราได้ทําเนี่ยคือเรา เกี่ยวข้องกับโลกนีนะ้มันก็มีกรรมอยู่สามแบบนะแล้วกรรมแบบหนึ่งเรียกว่ากรรมไม่ดีนะภาษาง่ายๆพวกเราเรียกว่าทําชั่วนะทําไม่ดีเนาะกรรมอยู่แบบหนึ่งคือเรียกว่าอุปนสกรรมเรียกว่ากรรมดีนะเรียกว่าทําดีนะกรรมอีกแบบหนึ่ง น, นะอย่างที่สามเรียกว่ากรรมกลางไม่ดีไม่ชั่วนะจริตนะนะ ต่างๆที่จริงเนี่ยเราดีมีผล น, นะในแต่ละวนนะันเนี่ยเราดีมีผนกรรมทั้งสามอย่างเนี้ยมีไหมใช่อืมตั้งแต่เกิดอย่างใดเนี่ยเราต้องทำกรรมสักอย่างแล้วที่จริงในแต่ละวันเนี่ยเราทํากรรมหลายอย่างมากนะ อ, อย่างตอนเนี้พวกโยมเมื่อกี้โยมสวดมนต์ทำบัดอันนี้เรียว่าทํากรรมดี ทำกรรมดีทางวาจาทางการกระทําำตอนนี้เรียงทำธรรมนี่ก็เรียกได้ทํากรรมดีใช่ไหมะอืมทํานะทํากายทําวาจาของเราแต่ถามว่าก่อนหน้านั้น่ะเมื่อกี้เราก็เคยทํากรรมไม่ดีบ้างก็มีใช่ไหมหรือบางทีกรรมที่เราน่าเถอปบ่อยจริงคือกรรมทางใจ การตทางใจคืออาจจะคิดไม่ดีนะคิดไม่ดีหรือว่ารู้สึกไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นตอนนั้นเรียกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเรียกว่าทำกรรมนะทำกรรมแต่ทุกคนแหละนะไม่ว่าจะบวชหรือโรคหรือกลางๆเราทำอยูแล้วนะมันอยู่ที่ว่าในชีวิตเราที่เกิดมาเราเอาชีวิตนี้นะโดยการคำพู่โดยการกระทำโดยความคิด เราทําด้านไหนเราทําด้านไหนเราทําด้านไห น, น, ไหนมันก็จะเป็นน้ําหนักเป็นจริตที่ใสของเรานั่นแหละที่มาถามตอนแร้ว่าโยบายุทธนานี้เคยปฏิบัติทำไหมย <c oughs> เราไม่เคยปฏิบัติทำ <c oughs> แต่ <c oughs> แล้วเราเคนปฏิบัติอธรรมไหยมันก็มีตัวอย่างนะเราก็ปฏิบัติทั้นั้นแหละ ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมหรือจะมาแจกเอาง่ายๆก็ได้นะที่จริงการปฏิบัติธรรมมันก็มีแบ่งคร่าวๆเป็นสองแบบแบบหนึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมแบบเป็นปฏิบัติธรรมพื้นฐานนะเรียกว่าเป็นคุณธรรมอคุณธรรมก็คือเราทาดีน ะ, ะเช่นเราเป็นคน กรัญญูตอบแทนคุณคุณคนอื่นนะเรามีเมตตามีครุณานะเราทําทานนะเรามีศีนอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นการปฏิบัติธรรมเนอะโยมอาจจะไม่เคยปฏิบัติธรรมเป็นนักสมาธิแต่แต่ท่านมาก็เชื่อว่าพวกเราก็ปฏิบัติธรรมในเชิงคุณธรรมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะเราทําหน้าที่นะตั้งแต่เด็กนะตั้งใจเรียน ตั้งแต่ทํางานไม่ครบโคงวันนี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมนะถ้าใครถามว่าเราเคยปฏิบัทํามไหมเราเคยอย่างน้อยเราก็เป็นคนดีเราก็เราก็ทําหน้าที่ของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเป็นคนในเนือที่ดีนี้เรียกว่าเราก็ปฏิบัติธรรมในเชิงคุณธรรมหรือทาสิ่งที่ดีแต่บางทีก็มีเหมือนกันเนาะเถิดปฏิบัติธรรมกัมอนกน การตัดตัดชีวิตน่พูดปลดพูดอยาเปล น, นนี้เนาะดื่มสุรายาเสพติดอนะไรเนี่ยก็อาจจะมีนั่นชีวิตของเราทีเรื่องคุณธรรมเรื่องจริธรรมบางทีก็มีมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมภายนอกนกรรารทำการกระทา ก, าก็เา็นการทำวาจาแต่ครั้นี้มันก็มีการปฏิบัติธรรมอีกแบบหนึ่งที่ เอาเอาง่ า, งายๆเรียกว่าการภาวนาการภาวนาอันนี้เป็นการเน้นปฏิบัติที่จิตใจเป็นการเน้นปฏิบัติที่จิตใจก็คือการฝึกจิตฝึกใจให้สะอาดนะให้สงบแล้วก็ฝึกจิตใจให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวที่เป็นจิตใจนะจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ตาเรามองไม่เห็นใช่มอืมหูก็ได้หู ก, หก็ไม่ได้ยินเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมมันจะฝึกยังไงเนาะฝึก ส, สัตว์ฝึกหมาฝึกแมวมันยังเป็นปรูร่างเป็นตัวเป็นตนยังพอฝึกหักดัดได้เนาะเราดัดต้นไม้ก็ยังพอจะดัดให้เป็นรูปเป็นร่างได้แต่เราจะฝึกจิตฝึกใจจะฝึกกันเห น, นีอยง การภาวนาเนะนี่ยจะเน้นที่เรียกว่าการฝึกใจฝนะึกใจในที่นี้นะมันมีระดับขั้วนะอยู่สองรูปแบบฝนะึกจิตฝึกใจหลในหลายๆที่บางคนเน้นการฝึกจิตใจให้สงบนะเรียกว่าทมสมาธิทำสมาธินะทำจิตให้สงบนะทําจิตให้พักผ่กอนเกิดความสงบ อ, อะไรก็ได้อันนั้นเป็นรูปแบบหนึง่งแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะเขาเรียกว่าเป็นการฝึกกิจฝึกใจในการเจริญสติภาวนานนะหรือเรียกว่ามีปัจนาภาวนานก็ได้ไม่ได้เน้นที่ความสงบแต่เน้นที่การให้รู้จักร่างกายแล้วก็จิตใจตามความเป็นจริงนะความเป็นจริงคืออะไร ควาเป็นจริงที่เกิดขึ้นในตอนนี้เช<อ>่นตอนนี้สังเกตจิตใจเราเป็นแบบไหนจิตใจอยู่ห้องนี้ไหม<อ>จิตใจเดินเถื่อแป๊ออกไปที่บ้านไหม<อ>จิตใจเดินไปคิดที่อื่น<อ>ไหมเห็นไหมมีไหม<อ>มีตอนสวดมนต์เมื่อกี้จิตใจอยู่กับการสวดมตนต์ตลอดไหมยอยู่ไหม ไม่อยู่เนาะมันไปไหนเป็นไหนแต่ละพาีเนาะจิตของเราเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงใช่มะเร็วกว่าต้นบีนไอพ่น <c oughs> ทีมันไปมันไป <c oughs> บ้านเราอยู่หาที่นี้สิบกิโลเนี่ยไปแค่เสียวบาง <c oughs> ทีเป็นถายไม่ชีนนะไปอดีต ก, ก็ได้ไปอนาคตก็ได้ใช่ไหม แต่ม่คิดที่เป็นวัตถุยังไม่มีเลยแต่จิตใจเราเนี่ยไปก่อนละไมนะมมย้อนคิดถึงอดีตย้วคิดถนาคนอันนี้คือเรียกว่าจิตทุกคนนะรวมทั้งอาตมาด้วยนะนะทุกคนโดยทำลายธรราติถึงจิตนะมันจะไม่อยู่นิ่งนะมันจะแบบนั่นแบบนี่ไปนั่นไปนี่นะหรืองทีมันก็เป็นความคิด เดี๋ยวบางทีก็เป็ น, านอารมณ์ความรู้สึกน ะ, ะบางวันเราจะบอกว่าจิตให้มันเฉยปกติสมัคราเนี่ยไม่มีนะใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกแบบไหนสังเกตนะมบางวันก็ตื่นมาก็สบายนะบางวันก็มึดอิดโมเมียไม่อยากตื่นใช่เราออกมาจากบ้านเราขับรถเนี่ย สังเกตไมหมจิตใจเราก็เป็นแบบไหนบ้างวันนี้วันเสาร์รถไม่ค่อยติดก็ดสบายใหม่อยอตอนเย็นวันศุกร์ตอนเช้าวันจันทร์รถติดจิตใจก็ไม่ไม่ค่อยสบายแลยเนาะเป็นยังยิ่งฝนตกน้ำท่วมยิ่งติดใหญ่โอ้หดหงิดนะืมรู้สึกไม่สบา ย, ย, บายออวันไหนถนน โ, โล่งก็สบายวันไหนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สบายหม่ แต่ไปเที่ยวกลับมาแล้วกลับมาเย็ยนวันอาทิตก็ติดเหลื่องเดิร์ น, นจิตต้องเปลี่ยนบ่อยมากใช่ไหมจิตเราเปลี่ยนบ่อยมากเมื่อวานมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กนักศึกษาก็อบอกว่าก็ให้เขาเราเรื่องความสุขความทุกข์ของเขาเขาบอกว่าเนี่ยจิตผอผมมันเปลี่ยนเขาให้เพื่อนเล่านะให้เล่ากับเพื่อนฟันงไปเพื่อนอีกคนหนึ่งมาบอกกูเพื่อนเขาบอกว่าตอนแรกเขาจิตเขามีความสุข เริ่มเรียแล้วหวังว่าจะไปเต็มวันเะตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าใ้เปเต็มเสื้อผ้านะแต่พอเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเป็นเต็มวันนะฝ น, น, นะนกับตก <c oughs> เลยไม่ได้เต็มวันมันทุกขันทีเลยจิต <c oughs> มันเปียยนะ้จิตแต่แรกคิดว่าจะไปเต็มวันเป็นความสุขพอฝนตกนะไม่ได้ไปเต็มวันเป็นทุกข์มีไมหมเงินชีว <c oughs> ิเราเมื่อกี้นะ พอเราคิดอะไรที่คิดว่ามันจะดีเนาะคิดว่ามันจะได้อย่างที่เราคิดเราก็มีความสุขใจแต่พอไปเจอจริงๆแล้วมันพิสูจน์แบบหนึง่งเราก็เกิดความทุกข์ใจในชีวิตเราจะเจอเรื่องราวทวกนี้นะ่ะภาษาพักเรียกว่าปาตนาสิ่งได้ไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เจอปัจจณาแล้วก็ไม่ได้ก็เป็นทุกข์หรือไม่ปาตนณา จะได้สิ่งนี้เช่นไม่ปราถนาที่เจอความผิดหวังไม่ปรานาจะเจอเรื่องที่ไม่ดีนะนะแต่ก็ต้องเจอก็อเลยเป็นทุกข์นะพัดผ้าสูญเสียจะสิมระสิงชอบใจก็เป็นทุกข์อันนี้คือเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะที่เราต้องเจอโดยเฉพาะความทุกข์ในที่นี้นเกิดจะเนนไปเรื่องของจิตใจนะนจิตใจมันมีความทุกข์ การภาวนาเนี่ยทางวิธีการเจริญสติเนี่ยเน้นให้มาเรียนรู้ของทุกเราต้องรู้จับทุกเราถึงจะค้นจากความทุกได้าการปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาคือการมาเรียนรู้จากความทุกที่เราไม่สามารถที่จะดีกหนีมันได้นะเช่นความทุกข์กายปวดเมื่อยหรือยัง ปวดไม่โยงปวดเนาะยืดหน่อยใช่ถ้าไหนนะก็ปวดไปจะหมายว่าต๊ะยีไหนก็บอกว่านัา่งรถสบายที่เสุดนะว่าลองนั่งที่เกินา8ยี่โมงกันมาจะสบายไหมไม่มีนะหมายว่านะใช่ไหมโต๊ะยีนวดโต๊ะยีอะไรยังดีแต่นานไหนเป็นหมืน่นก็ไม่สบายนะอืมเราก็นอนสบายแล้ว นอนจนตีสิบเจ่วโมงสบายไหมกินข้าวอันนี้อร่อยที่สุดนะลองกินต่อกันทุกวันตะเกือดนึงอร่อยไหมแหมอร่อยนะอันนั้นที่จริงร่างกายของเราเนี่ยคำว่าสบายเนี่ยเขาเรียกว่าสบายชัว่วขาะนะไม่ใช่สบายถาวรนีภาษาพระเรียกว่ามันเป็นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ความสบายเช่นมาโนะมาไม่สบายขามันก็เตี้ยนนี่เรียกว่าสบายขึ้นแต่กถัาไม่เกินชั่วโมงก็จะไม่สบายอันนี้ให้เรายอมรับเป็นธรรมชาติร่างกายที่เราไม่สบายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับการภาวน า, าก็ไม่ใช่ว่าเรามานั่นงฝึกภาวน า, าแล้วเราจะไม่ปวดขา เราจะไม่สบายอไม่ใช่นะมันยังมีอยู่เรานั่งไปก็ต้องหิวข้าวนัไปก็ต้องปวดขี่ปวดขานี่ธรรมดาเดินมากก็ต้องปวดธรรมดาอันนี้เราไม่แก้ไขแบบเราก็แก้ไขไปไม่ใช่ว่ามันจะต้องดีนั่นงภาวนาจริงจริงไม่ใช่ว่าเราต้องนั่งได้นานเดินได้นานนะต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่นะ แล้วก็เปลี่ยนไปได้อย่างวิธีการแบบเจอสติตเนี่ยเรานั่งไปปวดขาแล้วก็เปลี่ยนได้นะอืมปวดหลังเราสามารนั่งกั้ยได้นั่งกั้ยไ ด, นยได้นอนปฏิบัติก็ยังได้นะจริงๆนะมีรู้สึกหลวงอ่อเป็นคนพิการนะเขาก็อนอนปฏิบัติปฏิบัติด้วยวิธีไหนพลิกมือหายรู้สึกพกลิกเมือข้อรู้สึกปฏิบัติด้วย ปฏิบัติคที่เตียงนอนทิศมือหรอแล้วก็ก็บอกว่าถือถ่าไม่ทิศมือก็าหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเรียกว่าถ้าเรายังหายใจได้อยู่ยังปฏิบัติทำได้เพราะอยนะ่างน้อยเราก็หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนั้นะทุกคนปฏิบัติทำได้ แต่บางคนอาจจะ ย, ยังไม่เคยปฏิบัติเพราะยังไม่รู้จักวิธีเนาะว่าเราคิดว่าปฏิบัติธรรมนั่นคือเราต้องไปอยู่ที่วัดหรือแล้วก็งไปนั่งสมาธิอย่างเดีย ว, ยวอันนั้นก็เป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งเนาะแต่วิธีที่วันนี้จะแนะนำก็คือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมกับการคลุ้มไหวของร่างกายโยงอย่างว่าเคลื่อนไหได้ใช่ไหม <c oughs> คือหมายถึงนี่ได้เพราะว่า เพราเราคลื่อนไหวได้วิธีการเจิตสติแบบนี้เรียกว่าแบบแนวเคลื่อนไหวเราอาศัยว่าเราเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นโดยตั้งใจหรือเป็นกิจวัตรที่ทําเป็นปกติประดีเราคอยรู้สึกตัวเวลาเราเคลื่อนไหวตั่างอีกอย่างก็เราคอยรู้สึกตัวว่าตอนเนี้ให้รู้ว่าตัวหรือร่างกายกำลังทําอะไร เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็ให้รู้สึกว่ากำลังนั่งเดินก็รู้สึกว่ากำลังเดิ น, นกินก็ให้จิตรู้สึกว่ากำลังกิ น, กนไม่ใช่ปากกินแต่ใจอยู่ที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าเราเดินแต่ใจเราไม่อยู่กับการเดินใจเราไปถึงก่อนแล้วหรือใจเราอยู่ที่รถอยู่ที่บ้านอยู่อันนี้เรียกว่าขาดสติเนาะไม่รู้สึกตัว แต่การมีสติก็คือเราเดินอยู่ก็รู้สึกถึงการเดินอยู่ของร่างกายนั่งอยู่ก็รู้สึกถึงการนั่งอยู่กินก็รู้สึกว่ากาลังกิน น, นอนก็ให้ใจรู้สึกอยู่กับการนอนนี่คือการปฏิบัติธรรมนะอืมทําได้ไหมถ้าทำแบบนี้ได้เอืมเนี่ยปฏิบัติธรรมทําได้ตลอดเลยนะ แต่มันก็จะมีปัญหาคือว่าบางทีแม้แต่ตั้งใจทนะานะําเนี่ยที่เมื่อกี้ถาม่ะขนะเราสวดมนต์อนู่นะแต่มีใจเราก็ยังแวะใจก็แวะไปนะใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตนะงั้นการปฏิบัติธรรมโดยมีกรรมฐานกรรมฐานคือที่ตั้งของใจเนะี่ที่ตั้งของการกระทําของใจก็คือว่าเมื่อไรที่จิต เราเอออกไปคิดหรือไปรู้สึกอะไรข้างนอกตัวให้เราดึงจิตกลับมาอยู่กับต้นรากฐานออย่างเนี้วิธีแบบนี้นะ อ, อย่างที่บอกว่าปิดมือรู้สึกเรามาปิดมือไปรู้สึกไปกันหนึ่งมาไปคิดคิดถึงแม่ครับตรารู้ทานจิตเราไปคิดแล้วเราก็กลับมาอ่อาเนะก็ได้เลนะนี่คือกลับมาแล้วเราเดินอยู่ เดินไปเห็นเห็นเสื้อเสนะื้อมันสวยเนาะอ่าอยากซื้ออ่าจิตเราแว้ไปหาเสื้อเราดึมตัวเวลากำลังเดินแล้วพอเรารู <c oughs> ้ตัวแล้วก็ดึงจิตกลับมารู้อยู่ว่ากำลังเดินไหม <c oughs> อันี้เนาะอันนี้คือมันจะแว้งไปมันจะเผลอไ ป, เ, ป, ไปเราห้ามไม่ได้การปฏิบัติธรรมจิตเรียกว่าพอรู้ทันแล้วก็ดึงกลับมา ไม่ได้ห้ามนะไม่ใช่ว่ามองแล้วต้องเฉยๆนะได้ยินแล้วต้องเฉยๆมันไม่เฉยก็ไม่ไป็ไรไม่เฉยแล้วก็กลับมานะเราห้ามไม่ได้นะสังเกตนหมโยมบาทีเราเห็นหน้าบางคนนะบางทีเราเก็รู้สึกคนนี้รู้สึกเมตตาหน้ารักดีเห็นหน้าบางคนอยู่ก็รู้สึกร้อนนะเรามันเราเลิกไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะ แต่มันเป็นของมัเองแต่นักอี้เราก็คือให้กลับมากลับมากลับมากัติธรรมคือกลับมารู้ตัวยิ่งถ้าเรามีกรรมฐานคือเรามีรูปแบบมันจะทําให้เราเรียกว่ากลับมาได้บ่อยขึ้ น, นบางทีที่บอกว่าเี hey, ่ยกินข้าวเดินแปงฟันอาบน้บําเนี่ยบางทีสิ่งที่เราทําแบบเป็นประจําเนี่ยมันจะทําให้เราเรียกว่าทําแค่แบบ เป็นตามความไปชินครับทำตามควาไปชินบางทีก็ลืมตัวได้ง่ายสังเกตไหมเรากินข้าว่ก็ไม่ไฝกัดกระปุ้งแก้มกัดดิ้งกัดอะไรนะใช่ไหมแต่เราก็คิดไปสารภาพเรื่องใช่ไหมอืมเราเดินเราก็ไม่ตกข้อไม่สะดุดหอบล้มแต่เราก็เดินไปคิดไปบางทีสิ่งที่เราทําจนชินนะมันเหมือนเราทํำง่ายอะไรอย่างนี้ ทั้งกายทั้งใจทําได้พคูค่กันมันทํามากเกินไปทำมากเ <c oughs> กินไปนะเราคนที่จะฝึกว่าเราทรําอะไรให้ใจเราอยู่กับการกระทำนั้นด้วยนะเนยฝึกนฝึกแบบนี้คือเราทําอะไรให้ใจเราอยู่กับสิ่งที่เราทําด้วยอนะให้ทำคียริยานะให้ทำคียริยาทํากคีริยาน นอกจากว่าบางขณะที่ตั้งใจทํางานอ น, นั้นก็ตั้งใจคิดได้นะ น, นั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ลองฝึกให้เรารู้สึกตัวท ำ, ทำอะไรทํำในทีละอยาเช่นเรากวานบ้านก็ให้ใจอยู่กับการขวานบ้านด้วยไม่ใช่กวานแต่ตายแต่ใจคิดนั่นคิดนี่ใช่ไหมเราเดินก็ให้ใจเราอยู่กับการเดินด้วยนะไม่ใช่เดินไปคิดไป เรียกได้ว่าเราทําอะไรให้ใจทําริงนั้นด้วยนะแต่การทําไม่ใช่ว่าเราเปจ้องนะไม่ใช่ว่าจอ้องหรือว่าต้องบังคับใจให้มันอยู่ตลอดนะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราเผลอไปเราดึงเขากลับมาเราเรียกเขากลับมาคติคนะติเป็นเรียกว่าเป็นตัวเตือนเป็นตัวเรียกให้มันกลับมานะเราฝึกนะ กลัมาบ่อยๆเรียกว่าให้รู้สึกให้รู้สึกตัวบ่อยๆต่อไปเราจะเนะี่ยจะเรียกว่าเราทําอะไรแต่ก็จะอยู่การกระทำนั้น mm hmm. เรียกว่ามีสมาธิมีสติตรงนั้นว่าเรามีสมาธิมีสติบ่อยๆมันจะมีปัญญานะปัญญาคือการรู้ดู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ความเป็นจริงของกายของใจคุณแบบไหนเราจะเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจเราก็จะเกิดการยอมรับเมื่อเกิดความยอมรับเราก็ไม่ทุกข์เช่นเรายอมเรารู้ว่ากายมันธรรมชาติมันก็ต้องปวดมันก็เจ็บแก่ตายไปแต่บางทีเราทุกข์ว่าอะไรเราไม่อยากเรายังไม่อยากแก่ ไปสัลยกรรมต้องไปขีดตัวทอ่อนะเรายังไม่อยากตายนะเราก็รักษาเต็มที่หมอก็เต็มที่แล้วแต่ใจยังไม่อยากเลอะ ย, ยังคิดว่ายังไม่พร้อมมันก็ทุกขพระตรงนี้นะมันทุกข์เพราะเรื่องตรงนี้อืมนะอันนี้คือแต่ถ้าเรายอมรับยอมรับไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรนะะเราก็รักษาด้านกาย เต็มที่แล้วหมอก็รักษาเต็มที่แล้วร่างกายสุดท้ายมันก็ยังรักษาไม่ได้เรายอมรับคือยอมปล่อยยอมวางยอมรับความจริงได้ใจตก็ไม่ทุกนะอืมนี่คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับการจิตใจการจะยอมรับความจริงได้ต้องว่าต้องมีสติมีปัญญาปัญญาในฐานะผู้จะยอมคือว่าเราเป็นผู้ดู ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เอาตัวเราไปเป็นผู้เป็นนะไม่เอาตัวเราไปเป็นผูเน้เป็นสุขเป็นผู้เป็นทุกข์เมื่อเราไม่เอาตัวเราไปเป็นดับมันจะไม่มีทุกข์นะมันจะมีแต่ความทุกข์เป็นความทุกข์ของกายเป็นความทุกข์ของใจแต่ไม่ใช่ความทุกข์ของเรามันมีคนด่าเนยมีคนวิจารณ์ มันด่าเรามันวิจารผลงานเราวิจารตัวเราเนะี่ยจะรู้สึกแบบนั้นนะมมีเวลามีคนดา่ามีหลวงพ่อมุ่หนึ่งนะท่านอยู่ที่เกาะสีชังสีราชานพ่อประสิทธินะ์ก็มีมีโยมที่อยู่ใกล้ๆวัดเขาก็ไม่ชอบท่านเพราะ อ, อยากจะพุ่งที่ดินวัดกนะ็ด่าก็ไล่ก็สารภาพท่านนะฟ้องจเงหวะร้อง อ, อ, อะไร มีวันหนึ่งนะหลงพ่อท่านก็เดินมิทบาดเดินมิทบาดเขาก็ด่าตั้งแต่ออกจากวัดน่ะแล้วก็เดินไปไปรับบาตรที่ตลาดขาลับก็มาดาด่าด่าอีกตอนแรกท่านพอเข้าลงไปตอนแรกท่านก็จิตใจก็เดินไปเดินไปรับบาตรพอจะกลับมาที่วัดเขาผ่านมากเขาได้เขาก็มาด่าอีกแหละอันนี้ท่านเลยไปหาเขาเลยนะตอแม่กท่านก็จะมี เรื่องอะไรกันนะะั่นนะออท่านก็ไปจับแขนเขาจับแขนเขาแล้ไงไปถามเขาว่ามึงดา่าใครชาวบ้านก็บอกเขด่ามึงนั่นแหละแล้พ่อก็า<ส que>บอกว่าอะไรก็มีแล้วที่ด่าจะมาด่ากูแล้วกันชาวบ้านก็งงๆอะไรวะก็ด่ามึงแต่ท่านเราเลยไม่ไม่คิดว่าเป็นตัวแล้วไง ไม่คิดว่าถึงครูก็ชาวบ้านตัวโง่ก็ไม่ครูดีัะประดานุนั่นแหละอย่ามาด่าครูไม่เอาตัวเราไปเป็นผู้ถูกด่านะฮะเขาท่านจะเป็นครูนะท่านกกลับไปชาวบ้านก็ทําอะไรไม่ได้นะอือันนี้คืออะไรสติปัญญามองมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวเราจิตใจของเราหรือร่างกายขาที่โดนนะท่านโดนนักกว่นั้นนะ อันดท า, านเอาหีแทนนะอืมท่านก็ท่านก็ไม่เดี๋ยวว่าไม่ไม่ผัวค่าพยาบาลนะแต่ท่านพาที่เอเป็นแทนท่านก็โดนจับโดนอะไรตามกฎหมายไปอันนี้คือบางทีอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียก่าเป็นวิบากกรรมนะเป็นอาจจะเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่บางกีเราก็หนีไม่พ้นหนีไม่คนที่ถูกคนทาร้ายหนีไุคนที่ถูกคาดา แต่สิ่ที่ท่านมีพ้นคือใจที่ไม่ทุกในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือบางทปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีนะอแต่เราเจอแล้วเราไม่คุบกับมันได้เหมือนพระสมัยพุทธกาลพระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์มีเดชเพราะเหมืนเดิน อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อากาศได้ตอนวันหนึ่งท่านก็รู้จะมีตนมาทำร้ายท่านก็ลองหนีไป โดนสวรรค์ด้วยสิหนะนีไปแล้วกลับมาแล้วก็นโดนทำร้ายเหมือนเดิมสุดท้า ย, ย, ายท่านก็รู้ว่ามันมีกรรมเก่าอยู่คนโดนเขาทุกตีจนเนื้อเกิน ก, นกระดูกอ่านะเรียกว่าผูกพันเป็นวันเลยนะเป็นกิตท่านก็ไม่ได้ทุนะูนะอ่าอันนี้ท่านตอนกระลิงยิ้มผ่านนะไปดา่าพุทธเจ้าขอไปก่อน <c oughs> ไปก่อนพุทธเจ้าร่างตายนะไปก่อน แต่จิตก็ยังนะไม่ทุกข์ใจก็ไปดีนะแต่ร่างกายก็อาจจะโดนทาไม่ดีแบบนั้นแต่นี่คือการภาวนามันจะช่วยเราตรงนี้เนาะมีคนดา่ามีคนทําร้ายนะเราก็ไม่คุกเข่าเราเราไม่ยึดว่าร่างกายนี้จิตอันนี้เป็นเรานะเราเป็นผู้ดูผู้เห็นนะหรือครูบาอาจารย์ที่วัดก่าสุกโตที่สอนพระธรรมานะ หลวงพ่อท่านสรุปคำพูดง่ายๆว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรบางทีท่านก็พูดในยาวหน่อยบอกไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรนะคือไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวเราไม่เป็นอะไรที่จะเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เมื่อเราไม่มีแล้วมันก็ไม่มีเหตุปลูกตัวเราได้ใช่ไมเนี่ยเหมือน โปงมือไม่มีมีอข้างหนึ่งมาป่ก็ไม่เกิดเสียบใช่ไหมฮะอืมกัรโป่งก็ไปไม่ไม่มีเสียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราไม่เอาตัวเราไปรับเนี่ยมันก็เลยจะเป็นผู้สุขคู่ทุกข์ขาดคาที่มีปัญญาอะไรเนี้ยเกิดปัญญาแล้วมันจะมันก็จะว่าขาดความเป็ น, น, นตัวตนยังมีร่างกายยังมี จ, จิตใจแต่ไม่มีการยึดมั่นกับสนิทมาแล้วเป็นตัวเราของเราอันนี้คือ สิ่งที่เรียกว่าการภาวนาเนาะกนะ็พูดให้พวกเราฟังเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นประโยชน์เ้าเราได้เรื่อยขัดกันเนาะนะวันนี้ก็ลองฝึกการเจอือนสติดูก็จะได้เกิดนะความเข้าใจเบื้องต้นแต่ที่จริงมันก็ต้องมาไปทําในทุกที่ในทุกวันในทุกเวลาที่เราสามารถทําได้มันก็เป็นเรื่องของเราแล้ว เรื่องหมอจะมาหือเรื่องที่มาสอนมันนี้แต่เรื่องของโยมก็เรื่องของชีวิตโยมนะเห็นไหมไม่มีใครช่วยเราได้นะอืมจิตใจเนะี่ยเราจะให้พระช่วยจริงๆแต่ พ, พูดตรงๆนะขนาดแม่มาป่วยนะมัก็ไปช่วยได้แต่ร่างกายนะจิตใจก็ไปช่วยได้นิดหน่อยมันเป็นเรื่องของคนละคนนะบางทีความทุกข์ของเขาเราก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ใจ จะให้ไม่กงังวลจะได้ไม่พุกข์มันก็ช่วยไม่ได้จริงจริมันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะเรารับใครเราปรารถนาดีกับใครแต่ก็ไม่ใช่เราจะช่วยได้จริงจริถ้าช่วยได้จริงๆมาว่าโวกนี้คงไม่มีใครทุกข์ก่อนเพรอะไรพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือคนที่ปฏิบัติดีปฏิบทติอบเนี่ยจะไม่เห็นแก่ตัวนะอยากช่วยช่วยกันทุกคนหมดแะละถ้าให้ก็ได้ให้ไปเลย เพราะอะไรก็เรารู้ว่าเราทําใหม่ได้นะถ้าเรายกให้ได้ให้ไปเลยแต่เรารู้วิธีทําใหม่ได้แต่มันให้กันไม่ได้มันมันไม่ใช่ให้รถให้ราให้สิ่งของมันให้กันไม่ได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องทําเองนะมันก็อยู่ที่ความเยันความเพียรของเราที่จะฝึกหัดปฏิบัติกันมากหรือเปล่าวันนี้ก็มาเรียนรู้กันก่อนครนะแล้วก็เอาไปฝึกหัดปฏิบัติกันต่อ ก็จะเป็นได้